Thank mm -hmm. you. เชื่อว่าหลายคนในที่นี้เพิ่งมาที่วัดป่าสุโกโตเป็นครั้งแรกแล้วก็หลายคนก็คงจะเคยได้มาพักค้างคืนในวัดป่าแห่งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันหลายคนก็คงจะไม่คุ้นเคยนะกับบรรยากาศนะของที่นี่เพราะมันแตกต่างจาก บ้านของเราหรือว่าสถานที่ที่เราคุ้นเคยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเมืองที่มีแสงสีนะมะีผู้คนมากมายบ้านที่เราพำนักนะก็มีหลายคนอยู่ด้วยกันถัดจากบ้านเรานะก็อาจจะเป็นบ้านของคนใกล้ชิดคุ้นเคยซึ่งแตกต่างจาก กุติที่พักนะที่พวกเราจะนอนค้างคืนในคืนนีนะ้หลายคนอาจจะรู้สึกหนักใจตั้งแต่ก่อนมาแล้วว่าจะจะอยู่อย่างไรนะในวัดป่าเพราะว่าสิ่งแวดล้อมไม่คุ้นเคยแล้วก็ยังจะามาทำ ที่ไม่คุ้นเคยนั่นคือการปฏิบัติก็ขอให้สบายใจได้นะว่าสถานที่แห่งนี้นะคือวัดป่าสุกโตเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะแล้วก็มีความเป็นมิตรกับพวกเราทั้งสิ่งแวดล้อมคือธรรมชาติแล้วก็ผู้คนซึ่งประกอบกันเป็นชุมชนที่นี่ไม่มีอะไรน่ากลัวนะ สิงสารสาัตว์นะก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราถึงแม้ว่าอาจจะมีงูงเหี้ยเขี่ยวขออยู่บ้างอาจจะมีตะขาบบ้างมาแมลงป่องบ้างนะแต่ว่าก็น้อยเต็มทีและสัตว์เหล่านี้ก็ไม่น่ากลัวเพราะที่จริงเขากลัวเรามากกว่านะเราก็พยายามหาทางหนะลบหลีกให้ไกลจากพวกเราหากว่าจะต้องอ มัจเจเอกันนะเขาก็จะเป็นฝ่ายที่หลีกเรานะอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เรานะจะทันหลีกเขาสิ่งที่จะรบกวนเรานะัจริงนะก็คงได้แก่ยุงนั่นแหละนะอันนี้เรียกว่าจะรบกวนเราได้นะมากที่สุดนอกนั้นเนี่ยไม่ค่อยมาข้องแวกับเราเท่าไหร่งูเอย้ยตะขาบแมลงป่องนะ นี่เขาไม่ค่อยมาคล้องแวะกับเราหรอกไอ้ที่มาคล้องแวกก็ประจำเนี่ยคือยุงนั่นแหละซึ่งมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนอนในที่พักเรา จ, จะบางคนก็ไม่คุ้นเคยก่อนนอนคนเดียวนะแต่ก็ให้ลองนะสัมผัสกับความวิเวกนะเวลาที่เรานอนคนเดียวบ้างมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะแม้ว่ารอบ ที่พักนะจะมืดนะบางทีก็มืดสนิทความมืดก็ไม่น่ากลัวเช่นเดียวกันขอเพียงแต่เราทําใจคุ้นเคยนะกับจะชอบความมืดด้ยซ้ําจริงๆแล้วเนี่ยนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่งูเงี้ยวเขี้ยวขอไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือใจของเราต่างหาก ใจของเรานี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเราอาจจะหลบหลีกงูงเงี้ยวคิ้วขอได้นะดยการมาอยู่บนศาลาหรือว่าอยู่ในกุฏิที่พักเราอาจจะหลบหลีกการลังควานของยุงได้ด้วยการอยู่ในมุง้งนะแต่ว่าไอ้ใจของเรานี่แหละนะเราไม่สามารถจะหลบหลีกได้เลย และใจที่ชอบปรุงแต่งนี่แหละนะที่เรียกว่าน่ากลัวที่สุดพ่อแม่แต่อยู่ในมุง้งแม่จะอยู่ในกุฏิที่พักปลอดภัยจากสัตว์ร้ายเนี่ยก็อาจจะยังผวาไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรมาคุกคามเราแต่เพราะจิตที่มันปรุงแต่งนี่แหละแล้มันทำให้เรานอนไม่หลับําทำให้เราฝันร้ายแล้วก็ทำให้สิ่งต่างๆที่ ไม่ดูน่ากลัวกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาอย่างเช่นเสียงใบไม้เสียงกิ่งไม้ที่หักลงมากระทบหลังคาเสียงกรอบแกรบที่อยู่ที่ดังอยู่รอบกุฏิเสียงขุกคักในห้องน้ำเสียงพวกนี้ไม่มีอะไรที่อันตรายเลยนะแต่เป็นเพราะใจของเรานะ ที่ชอบปรุงแต่งนี่แหละที่มันทําให้เราผวาทําให้เราขนลุกนะหรือทําให้เราเ อ, อ, อาจจะถึงกับตัวสั่นนอนไม่หลับไม่มีอะไรภายนอกที่จะมาคุกคามเราไม่มีเลยแต่ว่าเรากลับกลัวเรากลับตื่นตระหนกนะเพราะใจใจที่ปรุงแต่ง บางทีแม้เสียงนะของสัตว์เล็กๆเสียงของหนูเนี่ยนะในยามค่ำคืนก็อาจทำให้เราผาวาได้เพราะว่าจิตมันปรุงแต่งนะให้กลายเป็นเสียงที่น่ากลัวเมื่อสัก30ปีก่อนเนี่ยมีหลวงพ่อท่านหนึ่งนะท่า น, นพักอยู่ตรงในเขตอุบาสิกาสมัยนั้นเนี่ยสุกโต ไม่ค่อยมีพระไม่ค่อยมีโยมเท่าไหร่หรอกสกุติภาคก็อยู่ในเขตอุบาสิกาซึ่งมีต้นไม้เนี่ยปกคลุมค่อนข้างทึบวันดีคืนดีก็มีร่องรอยของกวางเก้งนะมากินน้ำก่อนหน้านั้นยังมีหมูป่าอยู่เลยนะในเขตอุบาสิกาเนี่ยมาหากินแล้วก็เป็นเขตที่เรียกว่า ไม่ค่อยมีใครมาแตดต้องไฟก็ไม่ค่อยได้มามาเผาเนะไม่เหมือนกับส่วนอื่นของวัดมีวันหนึ่งตอนที่ขณะที่ท่านหลวงพ่อรูปนี้นะท่านกำลังนั่งเจริญสติอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีสัตว์ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันขึ้นมาขึ้นบันไดามา เส็แล้วก็มันก็ ม, นกมันก็ขุกขักอยู่ตรงระเบียงนั่นแหละท่านตกใจมากเพราะเสียงแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไ ร, รอื่นไม่ได้นะนอกจากหมีก็รีบล็อกกุฏิล็อกประตูกุฏิใจทั้งก็สั่นเลยนะเพราะว่าไม่เคยเจอหมีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันยังไงจะหาอาวุธอะไรที่อยู่ในกุฏิก็ไม่มี ก็ต้องล็อกประตูอย่างเดียวแล้วก็มันก็คลุกคลิกอยู่ตรงระเบียงนะหน้าประตูอย่างอยู่พักใหญ่มันก็มันกลังหาของกินนะแต่ก็ไม่มีอะไรจะกินสักพักมันก็เดินลงไปแต่ว่าท่านก็ไม่วางใจนะปิดหน้าต่างหมดนอนไม่หลับทั้งคืนเลยตื่นเช้าเนี่ยพอสว่างสมัยนั้นเนี่ย ถ้าไม่ค่อยมีพระนะก็ไม่ไม่มีการทำวัดเช้าเท่าไหร่พอได้เวลาทำพอได้เวลาบิณฑบาตนะท่านก็ค่อยๆเปิดประตูกุฏินะแล้วก็มองให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรนะที่จะเป็นสัตว์ร้ายก็สำรวจระเบียงก็พบ ว, ว่าสบู่นี่หายไปก็เอจใจให้มีนกินสบู่เนี่ย พอท่านเดินลงจากกุฏินะก็ผ่านาราวป่าก็ไปเหลือเห็นก้อนสบู่ของท่านเนี่ยมันไปตกอยู่แต่ท่านั้นละ่ะท่านก็พินิจ ด, ดูนะสะบู่เก็บสบู่มาแล้วพินิจ ด, ดูมันมีรอยนะแต่มันเป็นรอยหนูกัดท่านก็เลยรู้กอ๋อที่แท้มันไม่ใช่หมีหรอกมันเป็นหนู ขึ้มากุฏิท่านเนสะียงหนูเสียงกุฏิไอ้เสียงเสียงหนูกับ เ, เ, เสียงหมีนี่มันห่างกันเยอะเลยนะแต่ว่าไอ้ความที่ท่านกลัวเนี่ยนะเสียงหนูก็กลายเป็นเสียงหมีไปได้นะหนูมันไม่ใช่เป็นสัตว์ที่น่ากลัวเลยนะแต่ว่าท่านก็กลับกลัวไอ้สัตว์ตัวนี้แหละเพราะว่าจิตเนี่ยมันปรุงแต่งว่าเป็นหมี พอรู้ความจริงท่านก็หัวเราะยอดตัวเองโอเรานี่โง่เหลือเกินทำไปกลวนหนูได้เพราะจิตมันปรุงแต่งหลังจากนั้นไม่นานนะส3งสเดือนหลังนั้นเนี่ยท่านก็เฝ้าวัดคนเดียวต่อมาก็ไม่อยู่หลวงพ่อก็ไม่อยู่แล้วก็บังเอิญ น, นะมีงานศพตรงแคมป์ป่าไม้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็น อ, อ, อปอทุกวันนี้ยังเป็น อ, อป อ, อยู่แล้วก็จะมีสานักงานป่าไม้ อ, อ, อป อ, อยู่ ด้านที่ตอนตกปรากฏว่าเจ้าที่คนหนึ่งเขาเสียชีวิตก็เป็นคนคุ้นเคยกันมาวัดอยู่บ่อยๆนะเสียชีวิตท่านก็ไปสวดศพนะแล้วก็หลังจากสวดได้วัน2วันก็เผาที่นี่เนี่ยนะเมื่อ30ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเวลาจะเผาก็ต้องเปิดนะเปิดฝาลงเพื่อที่จะได้ ล้างหน้าศพนะด้วยน้ำมะพร้าวเมื่อบ่ายเนี่ยธอรมาก็ไปทาอย่างนี้เหมือนกันนะที่หมู่บ้านตาดดินทองชาวบ้านตาย30สปีผ่านไปก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอาจจะเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าโลงหาง่ายขึ้นสมัยก่อนเนี่ยโลงเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อมานะก็อาศัยฝาบ้านนี่แหละมาตีให้เป็นพอเป็นโลงบ้าง นะแล้วก็มันก็ปิดไม่มิดหรอกก็เอากระดาษนี่นะกระดาษหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้มามาปิดทับอีกทีเพื่อไม่ให้มันเปิดเจอเปิดเจอนะแล้วก็สวดศพตรงนั้นแหละแถวแถวนั้นแหละในในหมู่บ้านพอถึงเวลาก็เอายกศพมาตอนนั้นไม่ได้มาเผาในวัดนะเผาในเขตเอปอก็เปิดศพ เ, เปิดฝาลงดูก็เห็นศพ เขียวเลยนะจริงก็เพิ่งาตายได้แค่วันสองวันตอนนั้นก็คำ่ำแล้วก็เผาเผาเสร็จท่านก็คุยกับชาวบ้านสักพักนะจนมืดนะท่านก็จะกลับวัดชาวบ้านก็บอกว่าจะขับรถมาส่งท่านบอกไม่ต้องหรอกเดินกลับวัดเองได้เดินไม่ได้ครึ่งทานี่ เสียวเลยนะนึกถึงหน้าของคนตายเนี่ยแม้จะเป็นคนรู้จักกันนะแต่ว่าก็เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วกลัวท่านก็หันหลังดูว่ามันตามมาหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรตามมาจนกระทั่งมาถึงศาลาหน้าเนี่ยสมัยก่อนศาลาหน้าเนี่ยก็มีไฟฟ้านะไฟฟ้ามาเพิ่งมาเข้ามาเมื่อปี29เนี่ยตอนนั้นปี 26-27 สศาลาหน้าก็มืด จู่ๆก็เห็นอะไรผิดสังเกตก็มองไปที่สาลาไม่มีอะไรแล้วก็เดินข้ามสะพานเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นหอตายหอไตแต่ก่อนมันไม่อยู่นี่แต่ขอไตมันอยู่บนเขากุติท่านเลยหอตยไตเป็นหน่อยใกล้ๆกุฏิอังกตมาร์ท่านเดินไปก็เสียวนะเสียวข้างหลังก็ต้องหันมามองทั้งวันไม่มีใครมีท่านคนเดียวพอขึ้นมาหอไตท่านก็เหลียวเห็นแวบบ เหมือนกับว่าเห็นอโยมคนที่ตายเนี่ยนะมายืนอยู่ตรงระเบียงนะหอไตรแต่ดูที่เอาไม่มีนะตอนเนี้ชักเสียวแล้วอตอนนี้เริ่มกลัวแล้วกลัวมากเลยระยะทางจากหอไตรเนี่ยไปกุฏิท่านก็ประมาณ50เมตรหรือไม่ถึงร้อเมตรนะโอ้ท่านกลัวมากแล้วก็รีบจำจำจำนะจนกระทั่งพอถึงทางแยกเข้ากุฏิท่านท่านก็นะก็รีบเลี้ยวนะ เข้าไปบอกว่าจูๆมันเลี้ยวเข้าไปไม่ได้เหมือนกับมีอะไรฉุดเอาไว้ท่านก็พยายามดึงนะแต่ว่ามันก็ดึงไม่ออกดึงไม่ไปตกใจมากเลยตายเลยเดนนะมันเอากูแล้วเนี่ยนะฉุดละ ฉ, ดฉุดฉุดย่ามเอาไว้สะบัดเลยนะย่ามหลุดแล้วก็ท่านก็รีบวิ่งเข้าไปที่กุฏิปิดประตูตัวสั่นเลยนะนอนไม่หลับทั้งคืนเลยยังโชคดีที่ว่า ผีไม่มาตามมาถึงกุฏิตามมาแค่ข้างหน้าพอเช้านะได้เวลาบินทบาทสว่างแล้วท่านก็ลงมาค่อยๆ ย, ย่องลงมาแล้วก็พอเลี้ยวขวาเนี่ยเพื่อที่จะลงมาลงมาจากเขาเนี่ยก็มาก็มาสะดุดตรงจุดตรงที่เนี่ยท่านถูกรั้งถูกดึงเอาไว้ค่อยไปเห็นย่ามเนี่ยบอกว่ามันไปมันไปติดอยู่กับแง่งไม้ นะก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ผีหรอกนะที่ดึงย่ามท่านเอาไว้แต่เป็นเพราะย่ามท่านมันไปติดอยู่กับแง่งไม้นะท่านว่าผีนะโว้ยหลงกลัวต้องทั้งคืนเลยนะไอ้แง่งไม้เนี่ยนะมันไปยึดนะกับอ่าย่ามของท่านเอาไว้มันไปขัดนะแต่ท่านนึกว่าผีมาดึงเนี่ยก็เคลคเขวตัวเองหโหนงี้ อันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าจริงๆแล้วในป่าเนี่ยนะสุกโตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่ากับใจของเราไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยหวาดผวานะฝันร้ายนะหรือว่าตื่นตระหนกเท่ากับใจของเราใจนี่นะมันหนีไม่พ้นนะจะไปที่ไหนก็ตามถ้าจะไปคิดว่าออกจากวันนี้ไปแล้วจะปลอดภัยนะ ก็ยังต้องาวาหรือต้องมีความทุกข์อยู่เรื่อยไปเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนลักษณะความทุกข์จากความกลัวตัวหนกเวลาค้างคืนที่นี่พอไปถึงบ้านอาจจะกลายเป็นความวิตกกังวลความกลัวความเครียดนะไปถึงที่ทำงานจะมีความโกรธนะอาจจะมีความความความวิตกก็ มันเพียงเพียงแต่เปลี่ยนอารมณ์นะแต่ว่าความทุกข์ก็ยังตามติดเราไปใจที่ใจที่มันเป็นใจที่ไม่ฝึกเนี่ยนะมันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรเลยพระุทธเจ้าตรัสว่าใจที่ฝึกไว้ผิดหรือว่าตั้งไว้ผิดเนี่ยย่อมก่อความเสียหาย ยิ่งกว่าความพินาศที่โจรกับโจรกระทำต่อกันหรือคนที่จองเวรกัน ก, นนะกระทาต่อกันโจรผู้ร้ายเนี่ยนะเวลาจะทำร้ายกันนี่โอ้เขาเล่งกันหนักมากเนเอาถึงตายนะหรือว่าบอบช้ำนะแต่ว่ามันก็ไม่หนักหนาเท่ากับใจที่หวังไว้ผิดให้เวลาเรามีความกลัวขึ้นมานะ ให้รู้ว่ามันไม่ใช่สาเหตุจากอะไรเลยไม่ใช่งูเงี้ยวเขียวขอไม่ใช่อมนุษย์หรือผีสางนะที่อยู่นอกกุตินะแต่ไปเป็นที่ใจเราใจที่ปรุงแต่งไปสารพัดแต่ว่าใจนี้นะสามารถฝึกได้นะสามารถจะเปลี่ยนได้จากศัตรูที่ร้ายที่สุดกลายไปเป็นมิตรที่ดีที่สุด นะและเราจำเป็นด้วยนะที่ต้องฝึกต้องเปลี่ยนให้ใจเนี่ยนะจากศัตรูเนี่ยกลายเป็นมิตรเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะเอาทุกมาทิ่มแทงบีบคั้นเผาลนเราตลอดเวลาแลถ้าจะปล่อยให้มันกำเริบเสบสามนีนะก็สามารถจะเอาเราถึงตายได้อาจจะตายแบบผ่อนสงเช่นคนที่มีโทสะมากเนี่ยนะรู้สึก ไม่ชอบหรือว่ารู้สึกเป็นลบมองรู้สึกเป็นลบกับทุกอย่างเก็บกดความโกรธเอาไว้มันก็ทำให้มีความดันนะเป็นโรคความดันบางคนก็ปวดหัวเลื้องลังบางคนก็ปวดท้องเป็นประจำบางคนอาการหนักถึงกับเส้นเลือดในสมองแตกนะพิการอมาัอมาพาตอัมพาตอันนี้เรียกว่าตายผ่อนสงค่อยๆตาย มันไม่ใช่เกิดจากอะไรเลยนะมันเกิดจากจิตที่วางไว้ผิดคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเนี่ยจิตที่มันคิดแค้นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยทุพพลภาพได้พิกลพิการหรืออาจจะหนักกว่า น, นั้นนะคือว่ามันคุ้มครั่งจงกนกระทั่งต้องตัดช่องนงียแต่พอตัวคือฆ่าตัวตาย คนที่ฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่เพราะว่ามีภัยคุกคามจากภายนอกนะแต่มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งสารพัดต่างๆที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไรคุณค่าจิต ท, ที่มันจมอยู่ในความผิดหวังซ้ำซากกลายเป็นซึมเศร้าแล้วก็หลุดจากความทุกข์นําไปพ้นภัยอย่างอื่นนี่เรายัางพอหนีได้นะนะภัยจากผู้ร้ายเราก็สร้างกําแพง ภายจากหนี้สินแล้วก็หนีหนี้นะหนีเจ้าหนี้นะแต่ว่าภายที่มันเกิดจากใจของเราเนี่ยนะมันไม่มีทางหนีเลยเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยจึงเลือกวิธีการฆ่าตัวตายเพราะคิดว่านั่นนะคือวิธีที่เหลืออยู่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะก็คือการที่จะเปลี่ยนนะใจนะจากที่เคยเป็นศัตรู เอาความทุกมาทิ่มแทงบีบคั้นให้กลายมาเป็นเป็นมิตรกับเราและการที่ใจจะเป็นมิตรกับเราได้เนี่ยนะมันไม่มีใครทำให้ได้นะพ่อแม่ก็ทำให้ไม่ได้คนรักก็ทำให้ไม่ได้เราต้องทำเองและการที่เรามาปฏิบัตินะเจริญภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งนะแล้วก็เป็นวิธีที่เร็วที่รัด ในการที่จะช่วยให้เรา เ, เปลี่ยนนะศัตรูให้กลายเป็นมิตรเปลี่ยนจิตที่คิดร้ายให้แกเป็นจิตที่สงบสันตินะแต่ต้องเป็นการภาวนาที่ถูกต้องนะเพราะถ้าภาวนาไม่ถูกนะก็อาจจะเพี้ยนได้นะวางใจไม่เป็นนะให้จิตมันก็เล่น ง, งานเราได้นะโดยเพราะถ้าเป็นการพยายามไปบังคับจิตนะ จิตเนี่ยนะถ้าเราไปบังคับเขาหรือไปใช้กำลังรุนแรงกับเขาเนี่ยเขาก็จะสู้นะเขาก็จะพยศนักภาวนาหลายคนเนี่ยวางใจไม่ผิดหรือว่าเกี่ยวข้องกับจิตไม่ถูกนะเกิดมีอาการเพียเ้ยนนะเกิดความเครียดบางคนตัวแข็งบางคนยกมือไม่ขึ้นบางคนปวดหัวบางคนอ่าบางคนมันก็จะเป็นลมเีย อันนี้ก็เรียกว่าจิตมันมันก็ต่อสู้นะเราไปพยายามไปสู้เขาเขาก็ตอบโต้กลับมาแต่ถ้าว่าเราวางเรามีวิธีการปฏิบัติที่ถูกเนี่ยมันก็ช่วยทาให้จิตของเราเนี่ยค่อยๆนะคลายพยศแล้วค่อยๆเนี่ยนะกลับมามีความสงบและเป็นสุขถึงตอนนี้จิตจะเริ่มกลับมาเป็นมิตรกับเรานะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะมันเป็น วิธีที่เร็วที่รัดในการที่จะช่วยทําให้นะจิตของเราเนี่ยกลับมาเป็นมิตรที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการเยียวยารักษาใจนะซึ่งมากกว่าหมาเนี่ยที่มันตุร้ายเนี่ยเพราะมันมีบาดแผลเพราะว่ามันมีความฝังใจนะอาจจะฝังใจกับใครบางคนอาจจะฝังใจกับเหตุการณ์บางอย่างบางตัวนี่มันก็วิ่งชอบวิ่งไล่มอเตอร์ไซค์บางตัวมันก็ชอบวิ่งไล่เห่า รถยนต์นะเพราะมันมีความฝังใจมันก็กลายเป็นหมาที่ก้าวร้าวแล้วไม่มีความสุขในจิตที่มันกลายเป็นศัตรูกับเราเนี่ยเพราะมันมีนะมีบาดแผลหรือว่ามีความทุกข์นะที่ฝังอยู่มันถูกเรียกว่าถูกถูกกดดันนะอย่างยืดเยื้อยาวนาน การจลน์สติเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการใช้สติมาช่วยเยียวยาจิตใจของเราช่วยชำระพิษท่มนัดมันหมักหมมสะสมออกไปจากใจของเราจิตของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะมันเป็นจิตที่เจ็บที่ป่วยเจ็บป่วยมานานจะด้วยเหตุผลหรือเหตุปัจจัยใดก็แล้วแต่ทำให้มันกลายเป็นจิตที่หวาดระแวง ชอบมองลบนะเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือว่าหวาดกลัวหวาดผวาการเจรลสติบันจะช่วยเยียวยาจิตใจของเราและขณะเดียวกันก็คอยป้องกันไม่ให้ใหความเจ็บปวดความทุกข์เนี่ยมันเข้ามาเล่นงานย่ำหยีใจของเราผู้เจ้ า, าจึงตัดว่าสติเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากธรรมที่มีอุปการะมากมี2ประการนะคือสติและสัมปชัญญะ สติคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงนะอันนี้แปล ง, ง่ายง่ยั้นถ้าเรามีสติเนี่ยสัมปชัญญะก็จะตามมาด้วยนะเป็นฝาแฝดกันและสตินี่แหละจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะคอยป้องกันจิตผู้เจ้าเปรียตสติเหมือนกับทหารยามหรือว่าทวารบาล น, นะที่คอยปกป้องรักษารักษาเมืองส่วนในพระสังฆราชองค์ที่เพิ่งอ่อ่ จากไปเนี่ยนะท่านเปรียบจิตว่าเหมือนกับ น, นักรจริงอันนี้ผู้เจ้า ก, ก็เปรียบนะว่าจิตเหมือนกับนครท่านแต่งหนังสือเรื่องจิตตานครไอ้นคร น, นี้เนี่ยนะมันจะมีความมั่นคงปลอดภัยได้ก็เพราะมีสติเนี่ยช่วยรักษาประตูเมืองเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพยายามเจริญสติให้มากนะสติเราก็จะมีเครื่องป้องกัน ในด้านหนึ่งสติก็ช่วยเยียวยารักษาใจให้หายเจ็บป่วยขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาทําให้ใจเนี่ยมันเจ็บปวดกว่าเดิมและพอใจเนี่ยกลับมาฟื้นคืนเป็นปกติได้เนี่ยจะกลายเป็นวิธีประเสริฐมากจะกลายเป็นวิธีวิเศษชนิดที่ว่าแม้แต่พ่อแม่เนี่ยก็ไม่สามารถจะทำให้ได้เนี่ยวิจาตัดว่าเนี่ยจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยนะย่อม นำสิ่งประเสริฐมาให้กับเราเชนิดที่พ่อแม่เนี่ยไม่สามารถจะทำให้ได้เพราะนั้นเนี่ก็ให้เรานะ เ, าเมื่อเรามาถึงนี่แล้วก็พยายามใช้สถานที่เราอกาศนี่เป็นประโยชน์ในการเจริญสติให้ให้งอกงามแล้วก็แครเโดยการก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะอยูอ่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขนะหากว่ามีความทุกข์เมือ่อใดเนี่ยก็ขอให้ตระหนักไว้นะว่า จริงๆแล้วไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่ากับใจที่ฝึกไว้ไม่ดีหรือว่าใจที่หวังไว้ผิดกลับมาดูที่ใจเรานะอย่าอย่าไปอย่าไปโทษอย่างอื่นจะไปกลัวอะไรอย่างอื่นกลับมาดูใจของเราแล้วเราก็จะนะปลอดภัยและเป็นสุขได้คํานี้ก็พกูดกันทอนนี้นะครับ